มีคนเคยถามว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เวลาถูกต่อว่าอาตมาก็แนะนำไปว่าก็เวลาคนชมก็อย่าดีใจถ้าดีใจเวลามีคนชมนะมันก็ต้องเสียใจหรือว่าขัดเคืองเวลาคนตำหนิมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันนะิงชม ยิ่งดีใจเวลามีคนชมเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจเวลามีคนตนําหนิแต่ถ้ายังทําแบบนี้ไม่ได้ก็อาจจะเอาวิธีการแบบหลวงพ่อประสิทธาวโรก็ได้นะหลวงพ่อประสิทธาวโรนี่ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดถ้ำใหญ่เปริตวัดทําใหญเปริตเกาะสีชังท่านสอนญาติโยมว่าเวลาเวล า, ม, วลามีใครมาด่าว่านี่อย่าไปโกรธนะให้พนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็บอกว่าโอ้ เจ้าประคุณเจ้าประคุณขอมีความเจริญเถิดนะขอเขามีความเจริญนะแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยถ้าทําแบบนี้บ่อยๆนะจิตใจมันจะอ่อนโยนจะมีความโกรธน้อยลงนะแล้วก็จะมะีความปกติมากขึ้นนะทําให้เขาเห็นเลยนะก็พนมมือน้หัวแล้วก็บอกเขานะไว้เจริญเจริญนะ ในใจเราก็ทำในนั้นะในใจเราก็แผ่ส่สวนส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะหรือจะใช่วิธีหนึ่งก็ได้นะเวลามีคนมาบอกว่าแกเ ธ, างงเธอไม่ดีอย่างง้นเธอไม่ดีอย่างนี้นะก็รับไปเลยนะว่าถูกแล้วนะตัวฉันมันไม่ดีเพราะถ้าดีนี่ก็คงไม่อาบน้ำก็ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำไม่ต้องถูฟันนะ แม้แต่ตัวหลวงพ่อเองทุกวันนี้ก็ยังก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่งั้นไม่อาบน้ำไม่ถูฟันนะเพราะว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยสิ่งไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแถมยังต้องขี้ต้องเยี่ยวนะต้องบำบัดความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าเธอไม่ดีนะก็ให้รับไปเลยบอกว่าใช่แล้วครับผมไม่ดีถูกแล้วจานนะ ฉันไม่ดีตัวฉันไม่ดีนะก็มันไม่ดีจริงๆอ่ะนะลองพิจารณาดูเพราะถ้าดีนี่ก็ไม่ต้องอาบนะ้าไม่ต้องถูฟันไม่ต้องล้างหน้านะไม่ต้องเข้าห้องน้ำก็ได้แต่พราะตัวเรานี่มันมีสิ่งที่สกปรกนะมีสิ่งที่ไม่งามเยอะนะก็ต้องชำระต้องล้างนะให้ทาแบบนี้นะ ลองพิจารณาดูรับเข้าไปเลยนะว่าเออถูกแล้วครับผมไม่ดีนะฉันไม่ดีงนถ้าเราทําำนี้ใจเราก็จะใจเราก็จะเป็นสุขนะแล้วเราก็จะได้เป็นการตอบยั้งตัวเราเองว่าจริงๆแล้วไ อ, อ้ร่างกายสังขารนี้มันก็ไม่ดีไม่งาีจริงๆยิ่งเวลาใครบอกว่าเราแก่เวลาบอกว่าใครบอกว่าเราไม่สวยเนี่ยก็ต้องยิ้มรับเลยมันไม่ก็จริงอนะนะเพราะว่า ถ้ามันสวยถ้ามันงามนี่มันก็ขัดกับความจริงอยู่แล้วนะเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนี่มันก็มีความไม่งามนอยู่ตลอดเวลาถ้างามจริงก็ไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องถูฟันนะไม่ต้องล้างหน้าแต่ทําไมต้องล้างหน้าต้องอาบน้ําต้องถูฟันนะเพราะว่ามันไม่งามเอาความไม่งามออกไปมันไม่ใช่แค่ไม่งามข้างนอกอย่างเดียวนะข้างในก็ไม่งามนะมีเลือดมีหนองนะ มีปัสสะมีปั ส, สะวะอุจลละนะเมื่อพิจารณาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหลวงพ่อประสิทธิ์นี่ท่านไม่ใช่แค่เพียงสอนญาติโยมนะตัวท่านเองก็ทําด้วยเวลามีใครมาด่าว่าท่านนี่ท่านก็ไม่ไม่โกรธไม่เคืองทั้งทังที่เขาด่าว่าท่าลงแรงๆเพราะอยากจะให้ท่านย้ายออกจากวัดพวกนักเลงนี่เขาก็อยากได้วัดของท่านอยากได้ที่อนะ เพรา่าเกาสีชังสมัยก่อนก็เป็นที่ท่องเที่ยวบางทีก็มีคราวนึงท่านเดินผ่านหน้าบ้านนักเลงท้องถิ่นคนหนึ่งนักเลงก็คนนี้ก็เลได้โอกาสด่าว่าท่านแรงๆแทนที่ท่านจะโกรธหรือว่าทําเป็นหัวทนทวนลมท่านก็เดินไปหาเ้าเลยแล้วก็เขย่ามือไปจับแขนเขาเขย่าแขนมึงว่าใครมึงว่าใครไอ้หนุ่มคนนนก็บอกว่า ก็ด่ามึงนะสิพูดกับพานนะด่ามึงนะสิท่านไม่โกรธนะท่านก็บอกว่าเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะที่ท่านก็ไม่ได้สอนอย่างเดียวนะท่านทําด้วยนะเพราะฉะนั้นใครด่าว่าท่านท่านก็ไม่โกรธหรือจะเอาอย่างหลวงพ่อทองรัตก็ได้นะหลวงพ่อทองรัตนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกเลงแรกของหลวงปู่มัน่นท่านเป็นคนที่ผงผางนะ เป็นคนผงผางบางทีคำพูดกำจาของท่านก็อาจจะไม่เรียบร้อยไม่ว่ากับพระกับโยมก็เลยมีโยมบางคนไม่พอใจวันหนึ่งท่านบิณฑบาตก็มีคนเนี่ยเอาบัตรสนเทศใส่ไปในบาทท่านหลวงพ่อท่านก็รู้แล้วว่าไอ้บัตรนี้เนี่ยมีมีข้อข้อความว่าอะไรพอไปถึงวัดนะท่านก็ นุ่งห่มจีวรอย่างดีแล้วก็พาสังคติแล้วก็บอกเนนว่าเนนวันนี้ได้อมฤตธรรมแล้ววันนี้ได้อมฤตธรรมแล้วเทวดาใส่บาตมาให้แต่เช้าเลยเอาเนนเปิดอ่านเลยข้อความได้ว่าอย่างไงเขาข้อความนั้นว่าเจ้าผีบ้านะ น, ะนะพูดกับหลว ง, งว่าท้องหลวงพ่อทองรันมนาเจ้าผีบ้านะ เป็นพระเป็นพระเป็นเจ้านะแต่ว่าไม่มีศีลไม่มีวินัยนะชอบไปประจบสอบพอยาดโยมให้แกออกจากวัดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ออกจากวัดจะเจอลูกตะกลัวเขียนอย่างนี้เลยนะใส่ในบาทถ้าเป็นเรานี่เจอแบบนี้ทำยังไงโอ้หลวงพ่อทองรัท่านชอบมากเลยนะท่านบอกโอ้ดีแท้ๆนะแต่ก่อนก็ได้ยิน เขาพูดถึงเรื่องโลกธรรมแปดว่ามีลาบเสื่อมลามียศเสื่อมยศมีสารเสรินก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นะได้ยินมานานแล้วนะวันนี้เนะ่ได้เจอได้เจอจริงๆนะได้เจอแก่นธรรมแล้วนะแก่นธรรมนี่มาถึงแต่เช้าเลยเสร็จแล้วก็บอกบอกเน้นว่าเอากระดาษแผ่นนี้นี่ไปวางใต้ฐานพระนะแล้วก็จะได้เคารพ บ, บูชานะ ท่านไม่ได้โกรธเลยนะท่านกลับมองว่าไอ้คำด่าพวกนี้นี่มันสอนธรรมให้กับท่านเป็นอมฤตธรรมของของเทวดานะสอนเรื่องโลกธรรมก็คือว่ามีสารเสริญก็มีนินทานะนะคนเรานี่ถ้ามองแบบท่านนี่เกิดปัญญานะไม่ขาดทุนใครที่โดนด่านี่โกโรธเนี่ยแสดงว่าขาดทุนแล้วนะเพราะว่า ไม่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากคําด่าคําด่านี่มันก็สอนธรรมเหมือนกันนะสอนธรรมเรื่องโลกธรรมแปดนะโลกธรรมแปดข้อมันก็คือว่านะมีสารเสริญก็มีนินทามีคําชมก็มีคําด่าว่าเป็นพระนี่ก็มีคนกราบคนไหว่นะจงท่าบางทีเราก็นึกว่าชีวิตนี้มันมีแต่คนกราบไหว้แต่เรามองเราลืมมองไปว่าเนี่ยสิ่งที่คู่กับความ การกราบการไหว้ก็คือคำตำหนิการลังเกยียจการดูถูกนะมันมาด้วยกันอย่างเท่จานทร์สลินเทศเมื่อเช้านะไอคำนินทานี่ไม่มีใครหนีพ้นนะแม้แต่พูะุทธเจ้า ก, ก็ยังโดนมีมีคนนินทานว่ากล่าวมันเป็นของคู่กันนะเหมือนกับร้อนกับหนาวรวยกับจนนะดีกับชั่วขาวกับดำสารเสริญกับนินทานก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราเปิดใจดูว่าอันนี้แหละเขากาลังแสดงธรรมให้กับเรานะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมีบวกก็มีลบมีสารเสริญก็มีนินทาเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับคำสารเสริญนไปปราบพื่งกับคำสารเสรื่แเราก็จะทุกข์เมื่อเจอคานินทาอนักปฏิบัติมนี้ต้องฉลาดนะเจออะไรก็ตามเนี่ย รู้จักมองหลวงพ่อพุทธทาท่านก็บอกว่าเวลาเจ็บไข้เนี่ยนะก็ต้องฉลาดเจ็บป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีฉลาดเพราะอะไรเพราะว่าเขามาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความเจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าคนไม่ฉลาดเนี่ยก็เอาแต่ทุกข์เอาแต่กลุ้มหมวกลุ้มใจกังวลแต่ถ้าฉลาดนี่ก็จะเห็นว่านี่เขามาสอนนะ ว่าสังขารไม่เที่ยงเมื่อวานนี้ยังสบายดีอยู่เลยวันนี้ป่วยซะและ้วเราให้พิจารณาเห็นว่าเนี่ยสังขารเป็นทุกข์นะไอความสุขที่มีมันของชั่วคราวแต่ความทุกข์นี่สิมันของจริงแล้วก็ยาวนานแล้วก็สอเรื่องอนัตตาด้วยก็คือว่าบังคับควบคุมไม่ได้สังขารร่างกายนี้เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราเลยสั่งให้มันหายป่วยมันก็ไม่หายสั่งให้มัน สุขภาพดีมันก็ไม่ยอมทําตามาใครที่เปิดใจเห็นทาแบบนี้ก็ถือว่าได้กำไรนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอความเจ็บความป่วยนี่ก็ต้องมองว่านี่ธรรมะมหาถึงที่แล้วนะเหมือนกับที่หลวงพ่อทองรัน่นนี่ท่านมองว่าไอ้คำดา่าว่ากล่าวนี่มันเป็นธรรมะจากเทวดา ไม่ได้มีความเกลียดชังคนที่เขียนมาด่าเลยมองว่านี่เป็นเทวดานะส่งอมฤตรธรรมอมฤตรธรรมก็คือธรรมที่เป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายนะให้เราฉลาดมั่งนะเจออะไรก็ตามเนี่ยมองให้เห็นว่าเป็นธรรมไปหมดนะเราจะได้กําไรนะไม่งั้นก็ขาดทุนอยู่เรื่อยไปแล้วก็เตรียมรับพร